คือชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยยานว่าเป็นมุนีหรือเอาเอาเอายานใช่ไหมเป็นเครื่องวัดว่าผู้นั้นเป็นมุนีความว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวคือย่อมพูดย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติซึ่งบุคคลผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยยานอันสัมปยุทธ์ด้วยสมาบัตแ8หรือด้วยยานคืออภิน ญ, ญาหว่าเป็นมุนีนะคือถ้ายางแบบ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 ว่าเป็นมุนีคือความเป็นมุนีไม่ได้รู้มีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังร่ำเรียนมาอย่างบุคคลทั้งหลายที่ท่านได้ยินได้ฟังมาหรอกผู้ที่กําจัดเสนาคือกําจัดเสนามาณได้เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเป็นมุนีที่แท้จริงก็เท่ากับบอกว่าบุคคลทั้งหลายที่ท่านเอามาพูดถึงเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยยังกําจัดเสนาไม่ได้เนะพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ย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 ความกวลกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาพิสังขารทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าเสนาแมานเนี่ยนะมันก็นเน้นที่บาปอากุศลทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าเป็นเสนามานสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากามเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านานีนะ กิเลสกามันนะเป็นเสนาที่หนึ่งนะที่มันทําให้ปรารถนาะหิวโหยอยากไปเรื่อยนะนะั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นดังนั้นความไม่ยินดี น, นะนะหมายความว่าตอนแรกจะมาบวชก็ยากเหลือเกินกามันฉุดเอาไวนะ้อะทีนี้พอบวชเข้ามาอกิกมันก็ไม่ยินดีไม่ยินดีในอะไรไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดนันะไม่อยากอยู่เงี ย, งยบๆแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเจริญทั้งสมถวิปัสนาความไม่ยินดีนี่ก็เป็นเสนามานที่สอง นี่พอไม่ยินดีนะอยู่ไปอยู่ไปความหิวความกระหายก็เรียกว่าเป็นเสนาที่สามของท่านพออยู่ในไปก็หิวใช่ไหมหิวกระหายนี่พอหิวกระหายแล้วเป็นยังไงตัณหากล่าวว่าเป็นเสนาที่สี่ของท่านพอหิวกระหายตัณหาก็เอาละต้องไปหาตรงนั้นตรงนี้จึงจะมีอยู่มีกินพอไปอยู่กินไปหาจนได้กินอิม่มเรียบร้อยเต็มที่ถีนะมิทะเราก็กล่าวว่าเป็นเสนาที่ห้าของท่าน กินอิ่มแล้วนะนังท้องตึงหนังตามก็หย่อนแล้วก็ง่วงนี่ง่วงมากขึ้นนอนมากตื่นมากอยู่ที่เงียบๆความคลาดเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่หของท่านก็เริ่มกลัวแล้วนะอยู่ไปดึกๆตื่นขึ้นมากลางดึกก็เริ่มกลัวแล้วทีนี้พอกลัวเข้าอ่าเริ่มจะคิดจะปฏิบัติเอ๊ะข้อปฏิบัตินี่มันจริงหรือพันวิจิกิจฉากล่าวว่าเป็นเสนาที่เจ็ดของท่านนะนะสงสัยแล้วคันนี้เริ่มสงสยัย นี่พอสงสัยเข้ากำจัดความสงสัยเจริญกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปฏิบัติได้ก็เริ่มลบลูเริ่มกระด้างท่านก็กล่าวว่าเป็นเสนาที่แปดของท่านนะะโอ้ใครจะดีเท่าเรามีใครเก่งเท่าเราหรอกเหมือนันนะนะเรียกว่าเริ่มลบลูแล้วคนโน้นก็ใช้ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ดีทีนี้พอเริ่ม สมมติว่ามีความเก่งกล้าสา ม, มารถขนาดนี้ก็เกิดลาบสการะสรรเสริญยศที่ได้มาผิดแล้วก็สแสวงหาลาบสการะสแสวงหายศโดยผิดๆทีนี้เมื่อลาบมีลาบมีสการะมียศมีสรรเสริญที่ได้มาแบบผิดอย่างนี้ก็นตัวเองมั่งมีก็เริ่มยกตนแล้วก็ข่มผู้อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นเสนาที่สิบยกตนข่มผู้อื่นมันก็มั่งมีเลยเนี่ย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 ตั้งออกก่อนออกบวชก็ยากบวชมาแล้วก็ยินดีที่จะบวชที่จะปฏิบัติธรรมก็ยากเขาเข้ามาเข้ามาก็หิวห้อยหิวก็หายตันหา ง, ง่วงเอาจริงเอานอนขี้คลาดสงสัยหนักๆอยู่นานๆก็ลบหลูด่ดีกระดังมีลาบมียกยกตนข่มผู้อื่นะนะก็เอาละคะนี่พวกนี้ยเป็นมารเป็นเสนามาร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 อะไรที่เป็นความทุกข์ราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นความทุกข์ความโกรธความผูกโกรธนะเป็นทุกข์ความลบลูตีเสมอเป็นทุกข์ความทิสยะความตระหนี่ก็เป็นทุกข์ความลวงความโอ้อวดนั่นแหละคือตัวทุกข์ละความกระด้างความแข็งดีความถือตัวดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตนี่นะความกวนก歪ความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาภิสังข์ารทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ ความทุกข์เหล่านั้นอันชนเหล่าใดละขาดตัดขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานชนเหล่านั้นตรัสว่าผู้ไม่มีความทุกข์เนี่ยนะอันผู้ที่ไม่มีความทุกข์ก็คือผู้ที่กําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัดกิเลสได้หมดนั้นพระหันท่านก็ป่วยแต่ท่านไม่มีความทุกข์ทางใจนะกลางกายท่านจะเจ็บจะปวดแต่ว่าท่านไม่ได้มนสิการเนี่ยเมื่อไม่ไไ ม, ม, มนัสสิการมันก็ไม่เจ็บ มันตันหาที่เป็นเหตุให้ติดข้องเยื่อยใหญ่เนี่ยไม่มีคำว่าตันหาเนี่ยเป็นชื่อของความหวังตันหานี้อ่ะคือพวกตันหาราคาสราคาอภิชาโลภากุศลมูลเนี่ยชนเหล่าใดาละขาดเผาเสิแล้วด้วยไฟคื อ, อยานชนเหล่านั้นเรียกว่าผู้ไม่มีความหวังพระรหารเนี่ยเป็นผู้ที่กำจัดเซนาเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ด้วยอานาจกิเลส